ท่านสาธิชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพบกัมมันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราของมโหสดมริตเป็นอนวบานในตอนก่าาอนพระเจ้าวิเทหราชร้อม่ิด้ณะติดกับเข้ามาอยู่ในแดนข้าพระเจ้นาจุณนีพุทธทาส ต่างคนต่างก็ไปสาหาเรื่อกันอาจารย์เนั่ยสี่หมดทางถึงกับว่าจะต้องหาทางให้โมโหสดช่วยหวังว่าบรรดาท่านผู้ฟังและลูกหลานที่รักก็คงจะยังไม่ลืมอาการทั้งหลายเหล่านั้นเรื่องราวต่างมาวันนี้เรามาต่อกันไปเลยว่าพระเจ้าอิเทียราชไม่ได้สดับคำของเทวิน ก็ทรงระลึกถึงเหตุทรงระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ทรงกระทาใบแขมมโหสถจึงไม่สามารถจะตรัสกับมโหสถได้แต่ก็ได้คร่ำครวญจงมโหสถได้ยินถนัดว่าบุคคลผู้แสวงหาแกันต้นกล้วยนะตัภคาสิทธิ์นะลูกนะ บุคคลบุษแวงหาแก่นต้นกล้วยแล้วแก่นไม้นิ้วไม่ได้ฉันใดเราก็แววหาไม้ที่จะปลดเรื่องให้พ้นทุกจากปราดทั้งห้าไม่ได้ฉันนั้นี่ทสงปรารถท่านนี้ก็หมายความว่าไอ้ต้นกล้วยก็ดีต้นนิ้วก็ดีมันไม่มีแก่นหมายถึงว่าเวลานี้ความทุกขจากพระองค์มีมาก ถ้นานยขั้นจะถึงสิ้นชีวิตแต่ว่าบรรดานักปราชญห้าคนก็ไม่มีใครคิดที่จะช่วยเหลนะือแล้วทรงตัดต่อไปว่าช่างอยู่ในที่ไม่มีน้ําที่นั่นก็หาเป็นประเทศใหม่เป็นประเทศใหม่หมายความว่าช่างน่ะก็อยู่ในที่ที่ไม่มีน้ํา ที่นั่นก็ไม่ควรจะเป็นที่อยู่ของช้างเพราะชางเป็นที่อาศัยน้ำข้อนี้ฉันใดเราอยู่ ใ, นในกล้กับคนเขลังคนชั่วคนขลาดคนหาปัญญามิได้ก็ชื่อว่าอยู่ในสถานที่อันนี้ใช่ประเทศฉันนั้นไหมบัณฑิตห้าคนจะหาคนที่เป็นที่พึ่งของเราแม้แต่สกคนเดียวก็ไม่มีมีความจริงเวลาก็เขาเป็นที่พึ่งให้ เขาแนะนำแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นอันต ร, รายแต่อาศัยควายแก่อย่ายกินหญ้าอ่อนไม่รับฟังคําตักเตือนขขาคนที่ก็ทราบแล้วว่ามโหสถเป็นคนฉลาดแต่ถ้าว่าบรรดาลูกหลานที่รักท้าสิทโบราณกล่าวว่าสี่เท้ายันรุกรัดมักปราดยันรุกรั้งสองขาเยันเย็นมันก็ต้องเสื่มลงบ้าง เป็นนั้นว่าพระเจา้าวิถีหราต์ถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังเป็นปุถุชนคธนธรรมดาที่ยหงนหนานแน่นไปด้วยกิเลสเราจะไปโทษท่านว่าท่านเลวก็ไม่ได้ถ้าตามกฎของวิาสศาสนายก็ถือว่ากฎ ข, ของกรรมถ้าบรรดาลูกหลานบังเอิญจะพบเหตุอย่างนี้ขึ้นมาบ้างก็จงตัดสินใจว่าถ้าเราจะพึงตายเพราะเหตุนี้ ก็ถือว่าในการก่อนเราทํากรรมไม่ดีไว้รต่ว่ากรคำยาพระเจ้าวิเทหราชก็จงอย่าเพิ่มโทษชาติก่อนมันมันเป็นเรื่องราวของชาตินี้ที่ลลงอิสตรีจนเกินไปที่ตั้งใจคิดว่าศัตรูจะมาเป็นมิตรความจริงเรื่องศัตรูที่จะมาเป็นมิตรเนี่ต้องคิดให้มาก ไม่มีสัตว์ตตนใดที่ตั้งใจจะไปมิธที่ดีสาหรับเราการที่เขาเข้ามาทำดีในะหวังให้เราหลงคนของเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ลงมือประหารเองขณะที่เราจะถูกประหารและถูกทำร้ายเขาอาจจะอยู่กับเราแล้วก็ช่วยเราป้องกันแต่นั่นเป็นการเปิดจังหวะให้เพื่อนของเขาหรือคนเขาประหารเราต่างหาก ข้อนี้เขาบรรดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จําไม่ด้วยจงคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับเราและก็เพราะว่านั้นว่าก็จงคิดว่าคนทุกคนอาจจะประหารเราเมื่อไร่ก็ได้เพื่อนจะเป็นศัตรูกับเราเมื่อไรก็เป็นได้คุยกันต่อไปว่าหัวใจเขาหัวใจของเราไม่หวั่นไหวปากของเราก็แห้งผาก เราเป็นเหมือนถูกไฟเผากลางแดดย่อมจะไม่ดับได้โดยง่ายนี่เป็นการละพึงละพันเขาไระเจ้าวิถีฮราชเตาของช่างทองร้อนละอูนภายในนะแล้วก็ภายนอกไปร้อนฉันใดหัวใจของเรา ร, าร่าเรอนอยู่ภายในแต่ภายนอกมันไม่ร้อนเหมือนกันโอโ้สดบัณฑิตได้สันดับพระราชดำรัส ก็เกิดความโศ่สารกับเห็นพระองคทรงมีแผลเสียโทขึงเอือหลังไหลสมพระวรกายตะบะพักหน้าเงือรไหลซีแซดเรื่องไอไหลโ้มตอนนี้จะตายแล้วเนี่ยควายแก่อยากจะกินยาอ่อนจำไว้นะมันดาควายแก่ทั้งหลายที่ปรารถนายาอ่อนจงจำไว้แค่บ้านพังไม่เป็นไร ถ้าควายชุดไหนหรือท่านูนใดเป็นผู้บริหารประเทศถ้าติดยาอ่อนแล้วก็ระวังระวังหน่อยในสมัยก่อนๆและในสมัยนี้ก็อาจจะมีที่มีความโง่ไหลในอิสตรีนั้นมีมากบางท่านเป็นผู้สวอมนาจใหญ่แต่ก็ต้องบรรลัยไปด้วยหน้าอิสตรีอิสตรีถึงก็อยู่ในประเทศของเราไม่ได้ต้องไปตายต่างประเทศก็มีในในการก่อนนู้ น, นะ่นานมาแล้ว การจะปฏิบัติงานทุกอย่างต้องถือประวัติศาสตร์เป็นสำคัญถ้าทิ้งประวัติศาสตร์เคยกิจที่เราทามันแล้วเราจะคิดว่าเราดีแต่ผู้เดียวน่าไม่ชาเราก็พังประวัติศาสตร์เป็นที่พึ่งของคนทุกคนเป็นอันว่าพระเจ้าวิเทียาราชโอ้โหเสียเงาทรงพระพักและก็ทรงเช็ดอยู่บ่อยๆมโหสถสงสาร เจริราภูเนี่น ม, มาประทศไทยว่าขอเลชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงอย่าวิตกกังวลพระราชไทยเป็นเลยพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอรับภาษา <c oughs> ข้าพระพุทธเจ้าขอรับภาษาปลดเรื่องพระองค์ผู้เป็นเหมือนดวงเสมือนดวงจันทร์หรือว่าศูนย์ถูก หรือว่านเขาบอกว่าโสนน่ะเฉยๆเนี่ยข้าข้าพระพุทธเจ้าจะทรงจะปลดเปลื้องพองผู้เป็นเสมือนโดงจันทร์แล้วสุริยุกราคานะซึ่งถูราหูจับเหมือนช้างติดลม่มหรือว่าเหมือนงูที่ติดอยู่ในกระโปรงหรือว่าเหมือนนกที่ติดกระรง บรบปลาที่อยู่ในแหให้พ้นจากความนำเขินข้าพระพได้เจ้าจากให้กองทัพปัญจาละนะครหนีไปเหมือนห <c oughs> นีไปเหมือนไล่ฝูงกาไปด้วยก้อนดิฉนฉชนั้นพระเจ้าข่าไม่นี่ฟังมาทะแล้วก็จำในะลูกหลานที่รักถ้าผู้ใหญ่หัวเรื หรือผู้บังคับบัญชาหัวดื้อแต่ว่าเราจะปล่อยให้ความพินาศเกิดขึ้นไม่ได้หาทางป้องกันความพินาศเสียก่อนแต่ก่อนที่จะช่วยก็ควรควรจะสั่งจะสอนให้มีรู้สึกสำนึกตัวอย่างมโหสดทำกับพระจวิทีหรารัดแต่ ว, วิธีทำจงอย่าทำในความเย่อหยิงจงศึกษาจริยาของมโหสถเป็นสำคัญ การเตือนให้รู้สํานึกเป็นของดีแต่ลีลาการเตือนต้องฉลาดในการกลระทําก็ต้องดูหน้าคนต้องดูอากาศว่าหน้าคนในใจคนผู้นั้นเราจะทรมานด้วยวิธีไหนจะตักเตือนด้วยวิธีใด น, นี้ต้องฉลาดถ้าไม่ฉลาดมันก็เป็นโทษเป็นเรแล้วคุยต่อไป พ้ะกราทุนว่าหาข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปลดปเปลื้องพระองค์ให้พ้นจากที่ขับขันได้แล้วใส่ปัญญาของข้าพระองค์จะมีประโยชน์อะไรหรือบุคคลเช่นข้าพระองค์จะมาไปนั่งหมัดจะมีประโยชน์อะไรไม่กันดาโฮเห็นไหมแกนดาอาจารย์ทั้งสี่ที่อาจารย์สี่ยุโ ย, ยงสอนเสริมให้พระเจ้าวิเทียร์รับรับนาง พระเจ้าวิเทาราชได้สรงสนับคำของโมโหสดก็กลับได้ความอุ่นกระไทยขึ้นว่าบัดนี้เรายจะรอดตายแล้วทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้ต่างพากันแสดงความยินดีท่วหน้ากันเห็นไหมไอ้โ ง, ง่แกมญิงแมมประจยนทั้งสี่นะั้ลูหลานที่รักจงยาทานะถ้าอะไรไม่สามารถเขาบอกว่าไม่สามารถ ที่พระพุทธเจ้าทุนตัดว่านิส ม, มรณาณังสยโยให้ใครควรใช้ปัญญาพิจารณาซสก่อนแล้วยังทำดีกว่าการมาครวนี้ก็เพราะสายอาจารย์นั่งสี่ยุโยงส่งเสริมพระเจ้าวิทธหาราชและถูกกลลวงของเขาในโดยการไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาที่ว่าข้าศึกเป็นมิตรมนไม่มีที่ไหนไม่ของง่าย <c oughs> ปาจา์เสลกก็พูดระล่ำลักด้วยความดีใจว่าท่านบัณฑิตท่านจะพาผู้เราทั้งหมดไปได้ยังไงโมโอสก็ตอบว่าคอยดูอยู่ก็แล้วกันว่าเราจะพาผู้ท่านไปได้ยังไงและมโอสจึงได้ออกคาสั่งทหารด้วยเสียงเฉียบขาดว่าท่านนันหลจงเปิดประตูอุโมง ประตูห้องเครื่องยนต์คือประตูห้องนอนร้อยเอ็ดห้องดวงแตรทีพร้อยเอ็ดดวงในเขาสั่งเปิดไว้เจ้าวิเทยาราชพร้อมด้วยเหล่าเสนานอมาัมมัพระราชบริพันจะสันเด็ดปเทามองบัดนี้ทำงานเดี๋ยวนี้แมสังเด็ขาด เราทหารได้โมโหสถวางประจําหน้าที่ไว้ต่างก็เปิดอุมโมงทันใดนั้นภายในอุมโมงค์ก็มีแสงสว่างทั่วไปท่านอกงามคล้ายคล้ายกฐีรสภา ค, คือที่ประชุมเทวดาเสร็จแล้วทะหารจินนี่บอกโมโหสถให้ทราบว่าได้เปิดอุมโมง์แล้วขอรับมโหสถจินนี่กระทำธนภ ร, ราชาว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระองค์ทงเสด็จลงจากพราสาทเถิดพระเจ้าวิเทหราชเสด็จลงจากปราสา ท, าทาสโอโหสดจัดให้เสนนกนตามเสด็จต่อมาพระราชาพร้อมแม่หมาชาดจิบริพันธ์และตนเองก็เดินตามเสด็จไปข้างหลังเมื่อพระราชาทอดพระเนตรหยุดพานในโอมโมอย่างตะลิงหมาตะลิงตะลนัน ค่อยๆย่ยางพระบาทสำเร็จไปทีดะน้อยดาน้อยมโหรสดต้อนเตือนบ่อยๆวพราะนี่ก็รีบไปเร็วๆสิเพระเดียยเยยดเเด๋ยวตายหรอกจะไปมัวชมความงามเนีเระเดี๋ยวตายนี่เพราะอาศัยติดความงามในถือมาติดกับเขานะี่มันลาได้หานี่เ่าหนึ่งที่มโหสถหวงังไว้ไม่รู้ว่าพระเจ้าวิเทียรัสสลิดมา ยิ่งนำพระ น, นางสลากาเทวีซึ่งเป็นพระราชจุล น, นีข้าราชเจ้าเจ้าจุลนีธรรมทัตและพระ น, นางนันทาเทวีมาหิษีข้าราชเจ้าจุลนีและก็นนพระปัญจาระ ร, ร, ร, ร, ราชอะไรนะพระปัญจาระจันทกุมารราชโอรสและนางสาวท่านนางสาวยลนาเฉยก็มีผัวแล้วสิ เอสีบทนางที่เฉยต้องนาสาวและก็พระนางจันพระนางปัญจาราชันทีพระราชธิดาข้ามพระเจ้าชนานีพระมทัดอกจาาอ ม, มงให้ประทับที่รพระปรากว้างสวยภายใต้ดินนะว่ากบสวยพระเจ้าวิเทราชนเสด็จพระราชดำเนินอกจาอมมอจาอ ม, มงนะอกจาาอมงมากับขโ ม, ม, โ ม, ม, โมสด กษัตริย์ราชวงศ์ทั้งสี่พระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเาราตกับมโหสถก็ทราบว่าดีถูกคนของมโหสถหลอกจับตัวมาเสียแล้วตออานก็ตกระไคยกันแสงให้ข้ามคนหยุดย่างหน้าเวทนาขณะ น, นั้นเป็นยามราตรีเงียบสงัดกลางคืนเริ่มดึกแล้วนี่นะ เสียงข้ามคนเขาก็สะท้อนสีได้ยินไปถึงพระเจ้าจุลนีธรรมทัศน์พระเจ้าจุลนีเกือบจะตรัดออกมาว่านั่นดูเหมือนเสียงของพระนางนันทาเทวีอาคัอคัลมเหสีแต่ก็ยังไว้ไม่ได้ตัดอะไรออกไปแล้วก็ทรงเกรงจะถูกเยื่หยันใจมากแต่ข้าราชบริพาตว่าพระองค์นี่ช่างห่วงใยญระเทศไทยแต่วัดถึงมเหสีมาก ถึงกับเราแวงถึงกับเราแวงไปว่าให้เสียงที่มันดังเข้ามานี่นะเสียงที่ดังเข้ามาได้เป็นเสียงเมีเยแม้เวลานี้จะรบ ก, กันใจยังโหเยเมีอีกคนต้องน่าคิด ท, ทั้งทั้งที่พระองค์ไม่เห็นไม่เหสีจึงไม่ได้ตัดอะไรออกไปแต่ก็ไม่หายความวุ่นวายพระไถยเช่ออยู่ว่าสิ แค่นว่าเสีงเสงยงอะไรม่ร้องกริ๊กกรักริกกรั๊คล้าๆกับเสียงเมียเรานีา่หว่าแต่ในกองทัพที่เรายกกำลังมาเป็ น, นสัญญานีน่ไม่ได้มีผู้หญิงแจ้าเสียงผู้หญิงไม่เกิดยังไงแต่ว่าอาศัยขัตยะมณะในความเป็นพระราชาต้องนิ่งไวหมอสดนำสน่ห์ให้เจ้าวิทยาหราช ประทับบนพร ะ, บบร ะ, ะนะพาเรียบร้อยแล้วจึงได้เชวนว่านามบรรจาระจันทีประทับเป็นกองรัตนะรัตนะกองแก้วนะจัดพิธีอวิเศกสมรสแต่งงานท้าเสร็จโดยกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงรับพันนางเป็นมเหสีเป็นอวัยวิธีสมรสสมรสนายในคืนนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยาก มันไม่มีอะไรยากเนื้อตนเนื้อใจต่อใจเมื่อความต้องการมีเสมอกันมันก็ไม่มีอะไรไปแกล้งขัดข้องแต่ว่าปิยาตูชา ย, ยติโสโคปิยาตูชาเวติพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักความรักที่อยู่สองครองคู่ไม่มีอะไรเป็นสุข นี่เป็นเรื่องของพระแต่ เ, เรื่องของชาวบ้านพระก็ไม่ขัดคอเหมือนกันในตอนนี้ได้กล่าวว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จกลับมิถิลานครมโหสถประกาบทูลพระเจ้าวิเทหราชพราเมื่อดุกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์หหหให้ลงจากพระพภาและก็เชิญเสด็จประทับเรือสามร้อยลำซึ่งเตรียมเทียบไว้ล่วงหน้าแล้ว ม้าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จประทับบนเรือนบนเรือนร้อมไปอยู่กย์ทัตรีแล้วองค์สุดก็ยืนอยู่ริมฝั่งของคาไม่แคว่ายอนุศาสตร์คำสอนอนุศาสตร์นะอนุศาสตร์ให้เราตามสอนให้ศาสนะนี้เราคําสอนอนุเราตามตามขึ้นแนะนำว่า จะถือว่าสอนจะถว่าแ น, นแะนำหรือถวายถือว่าการเยียบภาษาไทยให้มันสร้ยสร้อยได้หน่อยถาวายความเห็นว่าข้าแต่พระองค์ผู้พู ด, พดส่งเป็นจอมทลายประชากรขอพระองค์จงปฏิบัติกับกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ให้เป็นเหมือนเหมือนมึงพระประยุริยาดจะถือว่าเป็นศัตรูเหมือนกับญาติสนิทขององค์เฮีย ทรงดูหมิน่นขอให้ทรงเคารพต่อพระญาติผู้ใหญ่ทรงรักเป็นดูต่อพระญาติผู้นะ้อยเถิดให้เจ้าวิทียราชรับคําของมโหสถว่าดีแล้วพอมโหสถเรา จ, จะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าทุกประการทรงเห็นมโหสถยืนอยู่ริมฝั่งไม่ขึ้นเรื อ, อทีนี่ทรงเตือนมโหสถว่าพ่อมโหสถ เจ้าเยโมรีรออยู่ทำไมเรารีบขึ้นเรือเถิดเราจะได้รีบไปกันให้เพิง่งเริ่มมือของข้าศสร็จสำหรับมโหสดยนินกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชข้าองค์จะข้าพระองค์จะทรงละทิ้งผู้ที่จะนำมาจากมิถิลานครมิแล้วเอาตัวรอดไปแต่พูดเดียวไม่ได้ ถ้าพระองค์จะกลับพร้อมกับบรรดาสเสนาขณิกกรไม่ภายหลังขอเชิญพระองค์เ ส, สด็จไปก่อนเถศปพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้วาวิทยาราช จ, จึงตรัดว่าพอ่อมณิตเจ้ามีทหารอยู่น้อยจะ่ไทยกำลังทหารจำนวนมากเขาไม่เจ้าจตุีธรรมทัไ์ไหวเลยโอ้โหสกขกราทุวานว่า ถ้าบุคคลมีความเฉลีย่ยฉลาดนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านบอกว่าแม้บุคคลนี้ถ้ามีความฉลาดนหะ่ใช้ปัญญาเ น, นี่ยไม่ได้สำคัญแม้ว่าจะมีกําลังทหารน้อยก็ยังสามารถจะต่อสู้กับบุคคลที่โง่ขงเขลาบาปัญญาแม้มีเสนาคือทหารเยอะมากได้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวจะสามารถกาจัดความมืดให้หมดไปได้ แต่มาดูอาทิตย์แต่ดวงเดียวเท่านั้นไอความมืดมันทั้งโลกแต่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วแสงสว่างก็ทับความมืดทําโลกให้สว่างได้ชั้นใดคนที่มีปัญญามากกว่าซึ่งมีกําลังน้อยก็สามารถจะใช้ปัญญาเค็งฆ่าบุคคลที่มีกําลังมากกว่าได้ให้พ่ายแพ้ไป เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รักเรื่องปัญญาเรื่องความคิดอย่าทำอะไรสักแต่เพียงเขาว่าในเวลานี้มีคนหลายคนตามดีนวัวชอบทำตนเป็นคนผู้เจริคิดไม่ชอบจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งมันเป็นเวลาที่ไม่ไกลนักบรรดาคนผู้จิตทั้งหลายนี้จะกลายเป็นศพ จำฟังรลวปู่จำคำหัวปวู่ให้ดีนะต่อไปบรรดาคนทุจริตคิดไม่ชอบทานหลายจะกลายเป็นศพไม่มีญาติบางทีก็อาจจะตายเฉยๆบางทีก็หายไปเฉยๆก็ะไยเพื่อว่าะรระวชะตาของประเทศไทยําลังก้าวขึ้นสู่ทุตสถานะความรู้เรือง เวลานี้ทรัพยากรต่างๆที่ไม่เคยปรากฏก่าก็ปรากฏขึ้นมาแล้วทิ้งแก้วไหว้เงินทองน้ำมันแก๊สอะไรต่ออะไรเยอะแยะค่อยๆขึ้นมาแต่ว่าผลดีที่เพิงได้เ ป, เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็ต้องคนดีปกครองประเทศไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว อย่างประเทศร่างมตรธรรมนูนมีบุคุณบางคนว่าควรจะให้ประชาชนเขามีส่วนร่างประชาชนที่ไหนมันก็มีไอ้คนไม่กี่คนที่หวังประโยชน์ส่วนได้ของตนเท่านั้นบรรดาประชาชนชาวไทยทั้งหมดไปถามคนแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ส่วนเร็วเขาบอกว่าเขาต้องการความเด็ดเดี่ยวความรวดเร็วอย่างที่รัฐบาลตะเกียงศักดิ์ทําไว น้ำท่วมตัดสินใจช่วยทันทีตั้งข้ประมาณพิเศษน้ำรถส่งแท็เกเตอร์ไปถไย ท, ทันทีช่วยไถและช่วยหวานพืชพันธ์สิ่งใดก็จะใ ห, ให้ให้ทันทีไม่ต้องมานั่งพูดน้ำลาลท่วมส ภ, ภาแล้วเอาเราไปไม่ได้มีสมัยหนึ่งเข้าของไปแจกแก่คนจนเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีจอบมีเสีย ม, ม, ส ม, ม, มีข้าวมาีเสื้อมีผ้ามีขอมีข้ามาก แต่ปรากฏวนในสมัยนั้นของไม่ได้ถิงคนจนบรรดาท่านผู้แทนทั้งหลายคำว่าผู้แทนนี้ไม่ได้สุดสมยายสมาชิกสภาผู้แทนเสมอไปท่านผู้แทนรัฐบาลาทั้งหลายท่าสมาชิสมาภสภาผู้แทนด้วยที่เรียกว่าสอสอแล้วก็ข้าราชการด้วยบางราย ที่เขาปรกาว่ากินจอบกินเสียมกินทรายกินหินกินดินกินผ้ากินของเอาไปกินซะหมดไปไม่ถึงนี่คนในประเภทนี้ขย่าอ้างเป็นชาชนคนดีอ้างไปชาวคำว่าอ้างเป็นชาชนรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญต้องเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ถามไอ้ชาชนบอกเขาไม่ต้องการหรอก รัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงไม่สําคัญสําคัญที่ฝ่ายบริหารเป็นคนดีเข้าถึงใจประชาชนก็แล้วกันที่พูดนี่ไม่ได้ยกย่องาารัฐบาลเกลียนสัก์แต่เราเห็นว่าทําดีก็พูดว่าดีถ้าทําไม่ดีก็ต้องว่าไม่ดีพ่อหลวงปู่ไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณกลียนสักชัว่วขณนั้นพ่อหลวงปู่พูดตามความเป็นจริงใครดีชมว่าดี ให้ ไ, ไม่ดีขิ้นชมผิดคติธรรมของพุทธสนะัสนาแต่ลูกหลายจงจำไม้ว่าไม่ช้าหรอกเลือดจะหลั่งไหลทับถมพื้นปฐพีถ้ะใสคนดีจะฆ่าคนไม่ดีอันนี้หลวงปู่ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาไม่ดีมาหนา่อยเขาจำจะต้องตายกันเสียบ้างนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเหุการณกดข่มกรรมพระห้ามไม่ได้ ห้ามได้อย่างเดียวคือว่าห้ามคนทุกคนว่าจงอย่าเว้นการกินข้าวจงอย่าเว้นการกินอาหารถ้าใครไว้เว้นการกินอาหารลก ป, ปู่จะลงโทษถึงประหารชีวิตคือหมายความย่าต้องให้คนนั้นตายไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่กินอาหารเขาก็ตายไปเองจะไปลงโทษหรือไม่ลงโทษก็ไม่จำเป็น คุยกันต่อไปว่าโมโหสดอีกราทูนเตือนพระเจ้าวิเทหราชให้รีบเสด็จระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้พลฝึกทีพายนยให้พนทีพายถอยเรียวจากฟังแล้วก็ออกไปจากท่าท้าอาจารย์นักศีก็ตามสเสด็จปในขานี้ด้วยให้คนห่วยๆนี่ไม่น่าจะเก็บเอาไว้ในพระราชสำนัก พระเจ้าวิเทยรราชทรงยินดีมากที่ความปรารถนาขอาพระองค์ได้สำเร็จลงในครั้งนี้เพระมโหสถคือทรงพ้นจากห้าสิกกลับได้ข้นนางปัญจาระจันทีราชธิดาเขาวว้เจ้าจนานีพรมทัอิกด้วยคว้แก่ล่ออย่าอ่อนเขาจะเคี้ยวใหญ่กันมปเลยนะทรงปีติสมนัมติมาตรสังเสริญคุณข้อมโหสถว่า อาจารย์เสียนกการอยู่ร่วมกับผู้ฉลาดเช่นมโหสถเป็นความสุขมโหสถได้ตวรวจเปลื้องพวกเราให้พ้นจากความพินาศเหมือนบุคคลปล่อยนอกที่ติดอยู่ในกรงหรือ ว, ว่าปล่อยปลาที่ติดอยู่ในแห่อาจารย์เสียนกได้กระทุนสรรเสริญคนกะมโหสถว่าข้าแต่มหาราชเจา้า เป็นความจริงพี่เจ้าค่ะมัตทั้งหลายย่อมนําความสุขมาให้แต่ฝ่ายเดียวย่อมปลดเรื่องทุกข์ภัยอันตรายได้เหมือนบุคคลปล่อยนกที่ติดอยู่ในกรงหรือว่าปล่อยปลาที่จุติจิตในแหเอาคําเท่านี้ก็แล้วกันเมื่อปล่อยนกปล่อยปลาที่ปล่อยนกในกรงปล่อยปลาในแหนได้ก็เลือกปล่อยหยุดกันจะทีดีไหมมันเหนื่อย ที่เลยไม่ใช่อะไรลูกหลานที่รักก็ราะว่าเวลามันหมดสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีกัจจ้าที่สถานีวิทยุผู้มีคนทุกคนและขอบรรดาลท่านพุทธศาสนิกนชงงนแลนลูกหลานที่รักจงประสบไปความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล ถ้าเพิ่อปรารถนาสิ่งใดก็ค่อย ไ, ได้สิ่งนั้นสูงความปรารถนาจาทุกประการสวัสดี